ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอชักสื่อจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควร